ประชาธิปไตยไทยที่รอแร่ปพระสอบตกแค่เรื่องง่ายๆตอบคำถามและพูดคุยกับพระนวกะเมื่อค่ำวันที่28กันยายนพุทธศักราช5 5 1พ้ารอามาคุยกันไปมีอะไรจะถามเวันนี้ มีอะไรค้างไหมครับนิมนตนะ์ญะติโยงก็ถามได้นะจะขอถามเรื่องสังคมแบบพุทธที่ท่านาได้พูดไว้นะครับคือจะถามว่าผู้ปกครองและหรือผู้นำของสังคมแบบพุทธเนี่ยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้พูดไว้ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนั่นคือข้อหนึ่งและข้อสอง จะหาผูดนี้ได้ที่ไหนและสามด้วยวิธีใดตอบกว้างๆ ก, ก่อนนะดูในพุทธศาสนาก็เห็นไม่ยากเท่าไหร่เราไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้านะเรามาพูดถึงว่าการสืบต่อพระพุทธศาสนาก็มีเรื่องในพระสูตรพระสูตรหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วนะตอนนั้นอย่างปรินิพานใหม่ พระอนุลก็ยังอยู่แล้วก็พวกคนกเก่าในยุคที่ฐานพระพุทธเจ้าก็พกมหามาดใหญ่ๆอย่างเมืองราชครื้ของแควนมคต์ซึ่งเป็นแควนมหาอามาตใหญ่ที่สุดตอนนั้นก็มีอามาตย์สำคัญหลายท่านที่จําชื่อได้ก็วัสการพราหมณ์ mm. เคยได้ยินไหมฮะอาวัสการพราหมณ์เนี่ยตัวสําคัญเลที่ วางแผนในการพิชิตแคว้นวัตชีโดยไปยุแยกให้เกิดความแตกสามคัคคีคือในยุคพุทธกาลเนี่ยมีการปกครองสองแบบของรัฐต่างๆรัฐพวกหนึ่งก็คือรัฐที่ติดมาจากค่อนข้างโบราณเป็นแคว้นแบบที่ฝรั่งเรียกว่ารีพับลิกเป็นสาธารณรัฐก็คล้ายๆกับพวกกรีกใกล้มาทางประชาธิปไตย คนไทยเราเรียกว่ามีการปกครองแบบสามัคคีธรรมคือไม่มีกษัตริย์องค์เดียวแต่หมุนเวียนกันคือปกครองแต่เขาก็ยังมีชนชั้นปกครองไม่ใช่ว่าเป็นประชาชนปกครองคือชนชั้นปกครองก็มีพวกหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ตายตัวไม่ได้เป็นบุคคลเดียวปกครองไม่มีอำนาจสูงสุดจะเรียกเป็นราชาหลายองค์ก็ได้คือเขามีทั้งหมดชนชั้นปกครอง ที่เหมือนกับคัดตัวไปแล้วเนี่ยจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดพระองค์จะเรียกองค์หรือเรียกอะไรก็แล้วแต่และในเนี้ยก็หมุนเวียนคือปกครองเวลามีภารกิจเรื่องที่ต้องตัดสินใจเช่นจะรบหรือไม่รบเป็นต้นเนี่ยกิจการของรัฐเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันก็มีหอประชุมเรียกว่าสันถาราสาร า, า, าก็คืออาคารรัฐสภาเนี่ เนี่ยสันทาราสาราก็เป็นที่ประชุมพวกราชาเหล่านี้ก็จะมาประชุมกันแล้วก็มีมติว่าจะตัดสินใจยังไงเช่นว่ารัฐนโนนกับรัตนเรามีปัญหาวิพาก์จะลบไหมอย่างนี้หรือเดอย่างพระพุทธเจ้าบริญิพานในแคว้นมัลละมัลละนี่ก็ปกครองแบบนี้เหมือนกันที่เราเรียกว่าสามัคคีธรรม ที่จริงศัพท์ของท่านไม่ได้ใช้สามกิริยาเป็นคณะคล้ายๆคณะราษฎร์อย่างพระพุทธเจ้าบริณิพนธ์นในแคว้นมัลละที่เมืองกุสินาราพวกมัลละกษัตริย์มัลละกษัตริย์ก็อย่างที่ว่าปกครองกันด้วยการปกครองร่วมกันเนี่ยก็ต้องมาประชุมกันพระอา น, นุ์มาแจ้งข่าวพวกมัลละกษัตริย์ก็นัดประชุมเข้าในสันถาค า, าราลามาตกลงกันว่า เออพระพุทธเจ้ามาปรินิพพานในเมืองของเราแล้วพวกเราต้องรับผิดชอบแล้วพวกเราก็นับถือพระองค์อยู่จะจัดการงานระสบอย่างไรก็มาตกลงกันนีอย่างเงี้ยกิจการสําคัญทั้งหายของรัฐก็ต้องเข้าหอประชุมสัญชาคารสั น, านาลาประชุมมีมติร่วมกันนี่แคว้นที่ใหญ่ที่สุดของพวกปกครองแบบนี้ก็คือแคว้นวัดชีแคว้นมันละเนี่ยก็หมดอํานาจไปเพราะว่า การปกครองอีกแบบหนึ่งกําลังรุ่งเรืองขึ้นก็คือการปกครองแบบกษัตริย์องค์เดียวที่เราเรียกกันปัจจุบันว่าสมบูรณาญาสิทธิราชมีอานาจเต็มเลย mm. ก็ค่อยๆปราบพวกแคว้นที่ปกครองแบบประชาธิปไตยหรือคล้ายๆประชาธิปไตยริสาธรณรัฐนั่นเน่ยค่อยๆล้มลงไปแล้วก็เข้าไปอยู่ใต้อํานาจแคว้นสักยะก็มีการปกครองแบบนี้เหมือนกันก็ตกอยู่ใต้อํานาจแคว้นโกศล ทีนี้ก็เหลือแคว้นวัดฉีเนี่ยที่ยังยิ่งใหญ่อยู่ก็ติดกับแวคว้นมคต์ทีนี้ก็แข่งอํานาจกันราชครืในพระเจ้าชาติศัตรูหมายมั่นอย่างยิ่งเลยมีความผูกใจไม่พอใจพวกแคว้นวัดฉีด้วยแคว้นวัชฉีนี่กษัตริย์เขาเรียกว่าพวกกษัตริย์ลิชวีในเมืองไทยก็มีการอํามาแต่ง เป็นหนังสือเรียกว่าสามัคคีเพศคำฉันคำฉันว่าโดยการแตกสามัคคีก็สามัคคีของกษัตริย์ชวีเนีย่ยก็โดวยวัสการพระรามปยุยงก็คือว่าแคว้นวชิีนี้ยิ่งใหญ่มากพวกราชาธิปไตยหรือสบูรนายาสิทธิราชเนี่ยเอาไม่ลงพระเจ้าพิมพิสารนั้นสมัยนั้น พระพุทธเจ้าประทับที่นั่นพระเจ้าพิมพิสาได้เป็นโสดาบันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรก็เงียบๆพอมาสมัยพระเจ้าชาตสศัตรูก็แรงขึ้นอีกชาติศัตรูนี้ก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ขัดใจกับพวกแคว้นวัดชีอย่างที่แม่น้ำคงคาเนี่ยหรือแม่น้ำตอนหนึ่งมันมีไม้หอมะนิดหนึ่งพอถึงฤ ด, ดูแล้วมันจะดอกไม้บานสวยงามหอมอะไรก็จไม่แม่นละ ทีนี้พระเจ้าชาสศัตรูก็เสด็จไปไปถึงทีไลพวกแคว้นวัชีมาเอาไปก่อนก็ผูกใจโกรธอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างเรื่องราวแต่ว่าสาระสำคัญก็คือการแข่งอำนาจกันพวกกษัตริย์ยิ่งใหญ่ก็อยากจะปกครองให้ทั่วไปหมดเป็นราชาองค์เดียวทั่วฉบูทุกยได้ดก็ยิ่งดีใช่ไหมความคิดมันเป็นอย่างนั้นพวกนักปกครองกษัตริย์สมัยก่อนยิ่งใหญ่ เป็นราชาองค์เดียวในชมพูทวีปหรือถ้าเป็นไปได้ก็ทั้งโลกอาชาตศัตรูนี้ก็หมายมั่นจะไปตีวัตชีให้ได้ต่อมาครั้งหนึ่งก็มีในพ ส, สูตรเลยก็ในมหาปรินิพานาสูตรนี่แหละทางอาชาตศัตรูก็คิดว่าจะไปตีแคว้นวัตชี คล้ายๆคงจะยั่งดูว่าพราะพุทธเจ้าจะตรัสว่างไงพวกเราไปตีก็เลยให้วัศการพรามที่เป็นเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่เนไปเฝ้าคือสนทนากันไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยกําลังวางแผนคึ้จะไปตีแคว้นวัดชีคล้ายๆว่าพูดไปอย่างนั้นะดงงยั่งดูซิว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่างไงพระพุทธเจ้าก็ หันไปทรงถามพระอา น, นุนว่าอา น, นุนเราเคยแสดงธรรมอย่างนี้ๆกัพวกวัชีแล้วเขายัางรักษาธรรมะที่เรียกว่าปริหานิยธรรมกันดีไหมอ น, นุนก็บอกว่าได้ทราบว่าเขายัางรักษากันดีพุทธเจ้าก็บอกว่าตราบใดที่พวกกษัตริย์ลิชวีแครนวัชชี อย่างตั้งอยู่ในอปริหรทรานิยธรรมเจ็ดประการไม่มีใครจะไปตีแตกได้ก็มองได้ทั้งสองอย่างและแต่สติปัญญาขอะผู้มองในแง่หนึ่งกัปเท่าก็บอกว่าไม่มีทางแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งถ้ามีปัญญาก็มองว่าเออถ้าหากว่าทำให้แตกสามัคคีได้มันก็มีทางก็มองได้ทั้งสองอย่างก็แล้วแต่แต่พระพุทธเจ้า พอวัสการละพราหมณ์กลับเนี่ยให้ประชุมพระสงฆ์เลยแล้วก็เล่าให้พระสงฆ์ฟังพระองค์อาจจะส่งมุ่งหมายว่าให้ข่าวเนี่ยมันได้ยินไปทั่วพอพระสงฆ์ประชุมหมดเลยแล้วมันก็ได้ยินไปถึงวัดฉีวัดฉีก็จะได้รู้ตัวหนักมันก็เหมือนกับว่าอิตาวัศการละพราหมณ์นี่มันจะเล่นงานเองแล้วน ะ, <c oughs> ะหรือเธอแล้วะจะเรียกเองเลยเรียกเธอนะ นั่นก็ถ้าเธอยังปฏิบัติรักษาอปริหานิยธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งความสามัคคีดีก็มีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมท่านใช้คําว่าวุตติเยวะปาติกังขานโนปริหานิบอกพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมก็หมายความว่าเนี่ยวางให้ทั้งสองฝ่ายใครดีใครอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้ปิดเป็นความลับ ประชุมสงฆ์หมดแล้วก็บอกหลักอภิริหารนิยธรรมสําหรับพระสงฆ์ด้วยคือหมายความว่าตัดไปให้แก่ฝ่ายบ้านเมืองแล้วต่อจากนี้ตอนนี้ตัดเพิ่มสําหรับพระสงฆ์ก็ตรัดอภิริหารนิยธรรมสําหรับพระสงฆ์ต่อจากเนี้ยบอกว่าวัดชียรอภิริหารนิยธรรมนี่ก็คือสําหรับฝ่ายปกครองบ้านเมืองแล้วก็ตรัดสําหรับพระสงฆ์ว่าตราบใดที่พระสงฆ์ดํารงอยู่ในอภิริหารนิยธรรมเจประการนี้ก็จะไม่เสื่อม ทนี้ตรัสสำหรับพระสงฆ์นี้ตรัสหลายหมวดแต่หมวดที่เราจําปนแม่นก็ที่อยู่ในนรกโควะอปริหานิยธรรมนี่มีทั้งเจ็ดทั้งหกอันหกนี่ก็เช่นตรงกับสารานิยธรรมก็เรียกอปริหานิยธรรมเหมือนกันบางทีธรรมะบางหมวดนี่มีหลายชื่อแล้วแต่สถานการณ์เอาพระเจ้าก็ตรัสธรรมะนี้ให้เป็นประโยชน์กับสังขะด้วยแต่ว่า ความมุ่งหมายอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเราก็คิดเอานะว่าคงไม่ให้เป็นความลับให้เรื่องเป็นที่รู้กันไปหมดแล้วจากนั้นพระองค์ก็เสด็จออกจากเมืองะะราชคฤต์ต่อมาก็เสด็จไปแคว้นวัดชีคือทําให้มีความลับกันฝ่ายวัสการัพรามนี่ก็มาฝ้าพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็ไปคิดก็เออชะครามเหมือนกันไม่ใคยกล้า ก็รู้อยู่นี่คือไอ้เรื่องความสามาคัคคีเข้มแข็งของวัชีนี่เป็นที่รู้กันอยู่แหละพวกนี้ถึงไม่กล้านะพอพอระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็มันกระจังอยาะไปไม่ได้มองในแง่หนึ่งรพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มองเห็นว่าถ้าพวกนี้ลบกันเนี่ยคือพวกนี้หมายมั่นต้องเอารบให้ได้ไปรบตอนนี้มันก็จะทําลายล้างผู้คนประชาชนนั่นแหละเดือดร้อนที่สุดล้มตายกันมา ยังไงไงยังไว้ก่อนก็ยังดีเรามองในแง่นหนึ่งนี่ก็ต่อเนก็เป็นเรื่องของสติปัญญาและการปฏิบัติการอยู่ในธรรมะของแต่ละฝ่ายนี่ฝ่ายวัศการพรามนี่แกก็ไปฟ้าพระเจ้าชาตศัตรูแล้วก็เล่าให้ฟังตอนแรกก็คงงันกันไปแล้วต่อมาก็มาคิดทานองว่าเอพวกนี้มันสามัคคีกัน เราหาทางไปทําลายความสามัคคีมันซะก่อนก็เลยวัศการาพราหมณ์ก็เริ่มแผนเริ่มแผนก็ทําเป็นว่ามีเรื่องทําให้พระเจ้าชาติสตรูพิโรธแล้วพระเจ้าชาติสตรูก็เคียนอะไรต่างลงโทษขับไล่ออกจากแควนมคตในวัศการพราหมณ์น่มีชื่อเสียงมากอยู่แล้ว มีเชื่อเป็นผู้ที่มีสติปัญญาสูงแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพอรู้ว่าคนที่มีสติปัญญากลับเป็นปฏิปักษ์แก่แผ่นดินอีกฝ่ายหนึ่งก็ยิ่งชอบใจใช่ไหมว่าเออจะได้คนที่มาช่วยจะได้เอาชนะอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้รู้ความลับของฝ่ายนูน้นอะไรเงี้ยอาจจะหวังอย่างนั้นฝ่ายวัศการพรามนี่ เมื่อดำเนินแผนให้ตัวถูกขับไล่จากแคว้นมคตแล้วก็มุ่งไปที่วัดชีเนะี่ยก็หาเรื่องทําให้ไปถึงวัดชีไปสวามิภักดกิ์ทางโน้นนี่พวกแคว้นวัชฉีเนะี่ยก็ไม่ได้ระแวงอะไรมากก็เห็นว่าเป็นคนมีความรู้สูงก็เลยให้สอนวิชาความรู้ให้แก่พวกลูกหลานนี่แหละแผนวสกาพลพรามก็เริ่มแก่ก็เริ่มทําให้พวกลูกหลานกษัตริย์ แคว้นวัดชีฤชวีเนี่ยแตกกันพอลูกแตกต่อไปก็พ่อแม่ก็แตกกันมีกิจการอะไรที่เป็นเรื่องส่วนรวมก็ไม่ร่วมมือกันเกี่ยงกันอะไรต่างๆแล้วเช่งกระทั่งว่าพอแตกกันได้ที่แล้วก็ส่งสัญญาณจากวัชการพาพราบไปถึงพระเจ้าชาติศตรูก็ยกทัพไปตีก็เลยแตกแคว้นวัดชีก็ล่มนี่เป็นอาณาจักรแบบรีพับลิกหรือว่าพวก สามัคคีทมหรือทานองประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ที่โค่นลงเรียกว่าอาณาจักรสุดท้ายในชบูทวีอ้าวทีนี้หลังพุทธกาลใหม่ๆตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เนี่ยเขายังไม่ยกไปตีกันยังไม่เกิดเรื่องนี้ก็คือพุทธเจ้าตรัสกับเขาอย่างที่ว่าแล้วอีกนานกว่าเขาจะไปตีหลังพุทธกาลพระพุทธเจ้าปฏินิพพานไปแล้วอันนี้ ตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆเนี่ยวันหนึ่งวัสกาลพราหมณ์ก็ไปตรวจราชการในบ้านเมืองเขาตัวเองก็ผ่านไปที่พระอนุนพักอยู่ก็เลยแวะเข้าไปสนทนากับพระอนนุนอันนี้วสกาลพราหมณ์นี่ในฐานะนักปกครองก็ย่อมสนใจเรื่องการปกครองบอกเออนี่ตอนนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ย แล้วพระองค์ตั้งใครเป็นหัวหน้าสงฆ์คล้ายๆเป็นประมุขแทนพระองค์พระนนก็ตอบบอกไม่ได้ตั้งวสการาพรามณ์ในฐานะนักปกครองก็าบอกเอ้ยอะไรเป็นไปได้ยังไงชุมชนใหญ่ๆหมู่ชนขนาดมือมาอย่างนี้อยู่ก็ได้ยังไงไม่มีหัวหน้าเป็นไปไม่ได้อยู่กันได้ดีไม่ได้หรอกเอ๊ะก็เลยมา น, นึก คล้ายว่าสกา ร, พราพาวกันนึกไว้าทางพุทธสอนนะพระพุทธเจ้านี่ทําไมไม่รู้จักหลักการปกครองหรือไงใช่ไหมพระนรินทรก็ตอบบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งแต่เรามีหัวหน้าอ้าวแล้วท่านทําไงบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสหลักธรรมไว้ให้แล้วเรียกว่าเถระธรรมสิบประการพระภิกษุผู้ใดมีคุณสมบัติสิบประการนี้ พระสงฆ์ทั้งหลายก็พร้อมใจกันยกย่องคือมาเป็นผู้นำ น, นั่นเองเออนี่หลักการของพุทธศาสนานะท่านว่าอย่างไงเนี่ยในพุทธศาสนาไม่มีการตั้งทายาทอันนี้ท่านน่าศึกษานะก็ตอนที่พระพุทธเจ้าวรินิพพานนะแทนที่พระองค์จะตั้งทายาทพระองค์บอกว่าทำแล้ววินัยใดที่เราแสดงแล้วบรรัญญัติแล้วกันเธอทั้งหลาย ทำลวินัยนั้นจากเป็นศาสดาก็เจอทั้งหลายเมื่อเราล่วงรับไปนี่แหละให้หลักการไว้ทีนี้หลักการย่อยอยังมีก็คือว่าที่พระอนนท์อมมาอ้างคุณสมบัติของพระเถระสิบประการนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็ดูว่าอาท่านผู้นี้มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างนี้แล้วก็น่านับถือดีองั้นก็พร้อมใจกันยกย่องเป็นหัวหน้า อันนี้เหมือนประชาธิปไตยไหมครับเหมือนไหมฮะเนี่ยเนี่ยหลักการเนี่ยนะดีไมด่ดีมันจะแน่กว่าประชาธิปไตยเนะี่ยเพราะว่าคนที่จะมาเลือกหัวหน้าอย่างนี้ก็ต้องเป็นคนมีการศึกษาพัฒนาตัวอย่างดีด้วยถ้าเป็นชุมชนในการศึกษาเป็นชุมชนที่ทุกคนเนี่ยมุ่งหน้าไปในการศึกษาในการพัฒนาชีวิตทั้งนั้นเป็นชุมชนของผู้ศึกษานั่นเองอ น, นี่แหละครับก็มีการสนทนาต่อไป จนกระทั่งถึงว่าเอ้าแล้วก็เมื่อมีคนทำผิดแล้วจะทำไงพระอนนก็บอกว่าทัศสงก็มาประชุมกันแล้วก็มีมติว่าไปตามกฎกติกาศิกขาบทว่าอย่างไงก็เอากฎหมายรูุอบรอใช่ไหมหลุอบรล่อชัดๆเลย ว่าไปตามสิกขาบทวินัยที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ก็พิจารณาว่าเขาทำผิดทำถูกไรแล้วก็มีระบบการสืบสวนสอบสวนไปนะในวินัยนี้จะมีบอกก็เอากฎกติกาเป็นที่ตั้งแล้ววินิจฉัยวินิจฉัยแล้วก็เอาใจความว่าก็ถือว่าหลักรรมวินัยนั้นลงโทษเขาไม่มีพระภิกษุรูปใดลงโทษ คือพระที่มาประชุมกันนี่เป็นเพียงกระบอกเสียงหรือเป็นทางผ่านของธรรมวินยัยก็ต้องตั้งใจโดยไม่มีตัวตนนะครับอย่างนั้นต้องเป็นเพียงว่าเรานำความรู้หลักให้มั่นยามาแล้วก็พิจณาให้ความเป็นธรรมถูกต้องโดยไม่มีตัวตนของตัวเองตัวเองก็เป็นทางผ่านของหลักธรรมวินัยหลักการนั้นเท่านั้นเองท่านบอกว่าเมื่อมีมติอย่างไรแล้วไม่มีภิกษุรูปใดปลงโทษ แต่เป็นธรรมวินัยลงโทษเขานี่ก็เป็นหลักสําหรับผู้พิพากษาด้วยถ้าวินิจฉัยเป็นธรรมและไม่มีตัวตนไม่มีความพอใจไม่ชอบใจของตัวเองเลยก็จะมีใจบริสุทธิ์วางท่าทีที่บริสุทธิ์เอาหลักการเป็นที่ตั้งเรามุ่งความยุติธรรมความเป็นธรรมว่าไปตามนั้นและก็ตัวเองก็เป็นเพียงกระบอกเสียงเป็นทางผ่านของหลักการเท่านั้นเอง อันนี้อยู่ในโคป ะ, ะโมกคันลานสูตรผมเอาเฉพาะสูวนที่เกี่ยวข้องอ้าวแล้วผมตอบไปอย่างเนี่ยเอ๊ะท่านถามว่าไงแล้วไปไปมามาก็คอยจะลืมคําถามด้วยถามเรื่องคุณสมบัติของผู้นํานะครับแล้วก็ข้อสองจะหาผู้นี้ได้ที่ไหนและสามด้วยวิธีใดก็นี่แหละครั บ, รบก็เหมือนกับตอบอยู่แหละใช่ไหม ก็คือว่าพระพุทธเจ้าไม่มีตั้งทายาทแต่ในพระไตรวิฎกมีพุทธทายาทมีพระเป็นพุทธทายาทเยอะเลยแต่ว่าความหมายของทายาทเปลี่ยนหมดเลยคือพระพุทธเจ้าเอาศัพท์ที่าศาสนาก า, ารเมืองประเพณีวัฒนธรรมสมัยนั้นใช้แต่พระองค์ไปใช้ในความหมายใหม่คือบางทีบอกความหมายอย่างนี้ไม่ถูกต้อง ใ, ใช้ในความหมายอย่างนี้ เหมือนอย่างบูชายันเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกบูชายันอย่างนี้ไม่เอาเอาสัตว์มาฆ่ายันก็คือต้องมุ่งไปที่ประชาชนเขาอยู่ก็ยังไงมีทุกข์มือเดือดร้อนยังไงเราก็ทํายันก็คือไปบริจาคทานไปสงเคราะห์ประชาชนอย่างนั้นเรียกว่ายันเหาือนนถ้าเธอบูชายันแบบนี้แล้วบ้านเมืองสงบสุขในพุทธศาสนาก็ให้บูชายันเหมือนกันแต่เปลี่ยนใหม่ก็คือให้สงเคราะห์ประชาชนมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกัน ใครจะเป็นทายาทพพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้อะไรล่ะสิ่งที่เป็นเนื้อแท้สิ่งที่พระองค์ได้รับก็คือโลกุตรธรรมการบรรลุนิพพานเป็นต้นเนี่ยพูดรวมๆก็คือพระองค์ได้โลกุตรธรรมพระองค์ได้โลกุตรธรรมและที่ท่านบวชกันมาเพื่ออะไรก็เพื่อได้อย่างพระองค์นะเพราะฉะนั้นใครปฏิบัติได้สําเร็จบรรลุโลกุตรธรรมก็ได้สมบัติที่พุทธเจ้ามอบให้แล้ว ผู้นั้นแหละเป็นพุท ธ, ธายะเพราะฉะนั้นพระทั้งหลายเยอะแยะเลยก็เรียกตัวเองเป็นพุท ธ, ธายาะไม่ว่างมีใครตั้งเมื่อใดที่ตัวได้บรรลุธรรมนั้นก็เป็นเองเลยพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาตั้งใครใช่ไหมแล้วก็เป็นพุท ธ, ธายะที่แท้เพราะการปกครองเองนั่นแหละมีความมุ่งหมายมาเพื่อจัดสภาพแวดล้อมระบบสังคมความสัมพันธ์ของพระเนี่ยให้เอื้อต่อการที่ ท่านจะพัฒนาตัวมาได้โลกุตธ ร, ธรรมถึงท่านจะไปตั้งเป็นสื่อตอนน้นในปกครองมันก็ไม่ได้เป็นทายาทจริงอ่ะใช่ไหมอาจจะไม่ได้อะไรเลยความเป็นทายาทที่แท้จริงก็ต้องได้สมบัติที่พระเจ้าได้ที่พระองค์ต้องการจะมอบให้สิ่งที่พระองค์ต้องการมอบให้ที่แท้ก็คือนี้แหละโลกุตธรรมนั้นใครได้มาฟังธรรมของพระองค์และปฏิบัติธรรมได้บรรลุโลกุตธรรมท่านผู้นั้นเป็นพุทธทายาทรรทันทีไม่ต้องมีใครตั้ง นั่นภาษาพวกหลายองค์เวลาบรรลุธรรมแล้วก็มีการกล่าวคาถาออกมากล่าวว่าตนเองเนี่ยแต่ก่อนนี้เป็นอยังไงงั้นบัดนี้ได้มาฟังธรรมพุทธเจ้าได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เห็นธรรมเข้าใจธรรมบรรลุแล้วบัดนี้เราได้เป็นพุท ธ, ธายาติแล้วน่าบอกเลยตัวเองได้เป็นและภูมิใจไม่ต้องบอกมีใคตั้งหากระสปะ ก, ก็เป็นพุท ธ, ธายาติพระอะไรแต่อะไรเยอะแยะหมด เป็นพุท ธ, ธายาตกันนั้นแต่ไม่เกี่ยวพุทธเจ้าตั้งนะเป็นเรื่องของท่านเองเป็นพระพุทธเจ้าไม่ตั้งใครซึ่งต่างกันกับระบบของบ้านเมืองหรือของคารืหัดโดยสิ้นเชิงนั้นพุท ธ, ธายาตไม่ได้อยู่แค่ปกครองการปกครองนี่เป็นเพียงเครื่องมือที่จะให้เราเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยได้เป็นทายาตรับมรดกของพุทธเจ้า เอาละครับก็แปลว่าหมู่สง่งนี่ก็อยู่ด้วยระบบการปกครองที่เป็นวินัยเพื่อวินัยนี่เป็นเพียงการจัดสรรสิ่งแวดล้อมระบบความสัมพันธ์ในสังคมเพื่อเกื้อกูลเกื้อหนุนให้แต่ละท่านเนี่ยสามารถพัฒนาชีวิตไปได้บรรลุผลทางธรรมะทีเ ท, ท่านั้นเองนี่ในระบบวินัยก็เลยวางเรื่องอาการที่จะมีหัวหน้าอะไรตัอะไรก็เป็นเรื่องของระบบวิธีการจัดไว้ยังไงดีที่สุด เพราะนั้นท่านก็ไม่ต้องมาตั้งเตื้ออะไรกันก็อย่างที่ว่าพระพุทธเจ้ามีหลักให้แล้วเออพระภิกษุรูปใดมีคุณสมบัติอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือเราก็ขอให้ท่านเป็นหัวหน้ากลับไปคล้ายกาบยุคปฐมกับตอนที่ผมเล่าให้ฟังเลยใช่หมตอนที่เขาเกิดสังคมมีการปกครองขึ้นใหม่ๆมีมหาสมมติมีราชามีอะไรนะ มีขัตยะกษัตริย์องค์แรกใช่ไมจำได้ไหมฮะนั่นก็คือนั่นคือวัตถุประสงค์การปกครองที่แท้จริงก็คือล้วเรายัางไงจะอยู่กันได้ดีเพราะว่าตอนนี้มันชักมีการแย่งชิงกันมีการทำ้ายการพูดเท็จอะไรต่อะไรก็คือมีอาชญากรรมเกิดขึ้นแหละก็เลยเพื่อให้อยู่กันได้ดีก็ต้องมอบหมายผู้ใดผู้หนึ่งที่น่าเชื่อถือมีสติปัญญาเนี่ยมาช่วยตัดสินกรณีพิพาทเป็นต้นใช่จะได้อยู่กันดี ก็เลยเลือกท่านผู้หนึ่งขึ้นมาแล้วมอบหมายภาระหน้าที่อันนี้ขึ้นมาแต่ว่าในยุคพุทธกาลนี้ก็หมายความว่าเรามีความเจริญยิ่งขึ้นสังคมไม่ได้อยู่แค่ให้อยู่ก็ได้มีกินเท่านั้นไม่ใช่แค่ว่าเออแบ่งที่นากันแล้วก็ได้ทรัพย์สินหรือสิ่งที่จะไปเอามากินมาครอบครองไม่ใช่มุ่งแค่นั้นในพุทธกาลนี้มุ่งไปถึงว่า ทำไงสังคมของเราเนี่ยนอกจากอยู่กันดีมีความสัมพันธ์ทางสังคมมีปัจจัย4ี่อยู่กันได้แล้วเนี่ยทำไงจะให้ปัจจัย4เป็นต้นและระบบการเป็นอยู่ของเราเนี่ยมาเป็นสิ่ ง, งที่เอาที่เอื้อเกื้อหนุนต่อการที่เราแต่ละคนจะพัฒนาชีวิตไปมีการศึกษาบรรลุโลกลูกธรรมใช่ไหมอันนี้ความมุ่งหมายมันขึ้นสูงไปอีกแต่ว่าสาระสําคัญก็คือว่าทําไงจะมีบุคคลที่มามาเป็นผู้ที่ช่วย จัดสรรไอ้เรื่องระบบการเป็นอยู่เนี่ยเป็นแกนคล้ายๆว่าในตอนนี้ผู้ที่มาร่วมกันในสังคมแบบเนี้ยก็ต่างกันยุคแรกแล้วแม้จะมีหลักการร่วมกันคล้ายๆกันแต่ว่าสาระแท้เนื้อแท้มันเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่มุ่งหมายทแท้ๆเนี่ยมันสูงขึ้นไปแล้วมันไปถึงเรื่องนามธรรมาเรื่องจุดหมายโลกุตตรธรรมแล้วต้องการไปโน่น แล้วก็บุคคลที่จะมาทำหน้าที่นี้ก็อยู่ในท่ามกลางคนที่มีการศึกษาพระทั้งหลายที่จะมาตกลงกันว่านับถือท่านภูนี้เป็นหัวหน้าเนี่ยนะก็ล้วนแต่มีการศึกษาดีเท่งนั้นและวินัยก็วางไว้แล้วท่านก็เป็นเพียงว่ากฎกติกาเนี่ยท่านก็มาเป็นหัวหน้าผู้นำไม่ใช่ว่าเป็นผู้มาเป็นศูนย์กลางในการมาประชุมกันเป็นจุดนัดหมายเป็นต้น เป็นจุดนัดหมายไปศูนย์กลางความร่วมมือนักปกครองหัวหน้าในยุคการปกครองที่ดีในพุทธศาสนาเนี่ยก็เหมือนกันหนึ่งมาเป็นศูนย์กลางให้มาเป็นจุดนัดหมายให้จะให้กติกาต่างๆมาดําเนินไปได้ก็ต้องมีอย่างนี้ถูกไหมฮะท่านั่นเองเรียว่าแต่ละท่านที่มาร่วมกันก็เหมือนกันร่วมกับปกครองอยู่แล้วก็รู้กฎรู้กติกาก็ เอาว่าองค์นี้เป็นศูนย์กลางแล้วก็มาช่วยกันให้ความรู้ความคิดเห็นเหมือนกับเป็นประธานดําเนินการประชุมอะไรทำนองนี้ก็เท่านั้นเองตกลงพอเห็นนะว่าถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหากระหมายความเราพัฒนาคนมีการศึกษาดีแล้วในสังคมของเราและเรามีหลักการกติกาไว้แล้วว่าจะดําเนินกิจการขอ้งส่วนรวมอย่างไรไอ้กฎหมายกติกาวินัยมีอยู่แล้วแล้วก็มาอาศัยตั้ง คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่เราเห็นว่าท่านก็มีหลักการไว้แล้วว่าควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรคนที่จะควรจะเป็นหัวหน้าแล้วเราก็ตกลงให้ท่านเป็นหัวหน้าและท่านผู้นั้นก็มาเป็นแกนมาเป็นจุดนัดหมายเป็นศูนย์กลางให้แล้วเราก็มาร่วมกันคิดใช่ไหมเราก็มีสิทธิเสมอกันนี่คือความเสมอภาคแบบสมานแบบมาร่วมกันเสมอภาคเท่ากันเพื่อจะได้มาช่วยกัน ให้ความคิดความเห็นสติปัญญาที่จะมาร่วมกันจัดการดำเนินการกิจการของส่วนรวมแก้ปัญหาได้กันแล้วก็มีเสรีภาพพราะแต่ละองค์จะได้เอาความคิดสติปัญญาออกมาไม่มีอะไรมากีดกันก็เนี่ยม่หมดแหละฉะนั้นที่ปฏิวัติฝรั่งเศสตั้งหลักการประชาธิปไตยสามประการมีอะไรมีลิเบอร์ตี้อีคว y ไลตี้แฟลเตอร์นิตี้มีส e ภาพเสรีภาพ สมภาพนีแต่ก่อนเราเรียกสมภาพเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าความเสมอภาพมันต้องให้เข้าชุดภาพก็เป็นหนึ่งเสรีภาพสองสมภาพสัมมาประวัติเสมอสมภาพความเสมอแต่ที่ถูกนั้นคือสมานภาพตรงภาษาบลีเปียบเลยสมานภาพความเสมอเสมอแบบสมานสมานะในภาษาบาลีประวัติเสมอกันสมานภาพแล้วก็ พระราดอลภาพความเป็นพี่น้องกันหลักการประชาธิปไตยฝรั่งเศสเขาวางไว้สามอันเนี่ยซึ่งตอนหลังเนี่ยมันหายไปตัวของพระราดอลภาพแต่ไม่มีใครพูดถึงเหลือแต่เสรีภาพและความเสมอภาคใช่ไมเดี๋ยวนี้พูดกันสองข้อนะ่ยแล้วก็ใช้ในเชิงลบเชิงแย่งชิงเน้นแง่เศรษฐกิจใช่ไหม เดี๋ยวนี้เน้นในความเสมอภาคเสรีภาพเสรีภาพที่จะได้จะเอา้าจะทําเพื่อตัวเสมอภาคเน้นในแง่ว่าคอยเกียงคอยแย่งคอยดูกันว่าแกจะได้มากกว่าข้าหรือเปล่าก็ได้เท่าแก่ไหมเนี่เรียกว่าเป็นเสมอภาคแบบเศรษฐกิจฉะนั้นก็โน้มไปในทางที่จะแย่งชิงแล้วแตกสามัคคีนี่ความเสมอภาคเสรีภาพพลัดดอลรภาพเดิมมันเข้ากันได้ เพราะว่ามันเป็นเสรีภาพพระราชดลภาพสมานภาพในเชิงที่จะมาช่วยกันดําเนินการให้ประชาธิปไตยริกาปรปกครองแบบนี้มันสําเร็จรุ่ร่วงบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีมันก็เลยเข้ากันได้ต้องเป็นระบบบูรณาการหมายความว่าไอ้สามอันนี่มีความหมายเข้ากันหมดถ้ามีเสรีภาพมีความเสมอภาคมันก็ทําให้พระราชดลภาพอยู่ได้ ทีนี้เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าถ้ามีความเสมอภาคเสรีภาพแล้วมันแตกกันยับย่นเลยพระราชดลรัชภาพก็เลยหายไปเลยนั่นประชาธิปไตยนะแม้แต่ใช้หลักการของปฏิวัติฝรั่งเศสมาวินิจฉัยเวลาเนี้ยมันก็จะไปไม่รอดแล้วไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องไปถึงพุทธการนะครับหลักการยุค ป, ประชาธิปไตยเริ่มต้นนี่เขาก็ยังทําไม่ได้เลยว่าคุณให้เสรีภาพและสมานภาพสองอันเนี่ยมันมากลมกลืน หนุนพระราชดลภาพได้ไหมถ้าคุณทำไม่ได้ประชาธิปไตยก็ไม่สำเร็จเดี๋ยวนี้ก็แปลว่าน่าจะต้องยอมรับเอเมริกันก็พระราดลภาพฟลอตเนนิตี้นี่ศัพท์นี้ความหมายก็ไปเป็นเพียงพวกฟทอร์นิตี้ในมหาวิทยาลัยเป็นสมาคมนักศึกษาอะไรเป็นมันก็มีความหมายเหลือเป็นในๆอยู่แล้วก็ไปออกในเรื่องคติที่เขาเรียกกับเม l t i n เป็นหม้อหลอมเบา้าหลอมอะไรเนี่ยจะให้คนที่มาจะาเชื้อชาติอะไรต่างๆรวมหลอมเป็นอันเดียวกันตอนหลังก็บอกรวมก็ไม่ได้แล้วเป็นสลัดโบลเป็นชามสลัดไปแล้วตอนหลังเขายอมแพ้และเมลติ้งพอตนี่เลิกได้แค่สลัดโบลชามสลัดก็ยุ่งไปหมดหลอมไม่เข้ากันเป็นยังไงก็เป็นอย่า ง, น, า ง, งานั้นก็มาเป็นมัลติคันเจอรัลลิซึมตอนหลังนี่ สลัดโบนมันก็เข้ากันได้กับไอ้มันติคันเจลลิซึ่ตอนหลังเขาเน้นอันนี้ก็คือมีวัฒนธรรมหลากหลายหมายความว่ามีเชื้อชาติสัญชาติผิวเผาอะไรต่างๆกันก็ให้มันอยู่รวมกันได้โดยที่ต่างฝ่ายต่างกันรักษาวัฒนธรรมเขาตนเองถ้ามันรักษาได้แต่มีจิตประสานกันก็ดีสิแต่ทีนี้จิตใจมันไม่สามัคคีกันอีกมันมีความคิดแบ่งแยก ก็ต้างอากฎหมายมาพยายามแก้ปัญหาไอ้กฎหมายมันก็แก้ได้แต่ภายนอกแก้จิตใจไม่ได้ไม่พัฒนาจิตใจค น, มนเมล็ติดขัดกันอยู่เนี้ยตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่มีทางสําเร็จถ้าไม่มีการพัฒนาคนประสานกันไปกับไอ้ระบบที่วางใช ม, มันต้องให้ทางด้านจิตใจปัญญาพฤติกรรมทุกอย่างต้องประสานกลงกลืนเขาก็นเด็กันเอาละครับก็ไปลว่า ร, ระบบในพุทธศาสนาเนี้ยก็คือแบบอย่างที่มีมาตั้งแต่พุทธกาล ก็คือเราจะต้องมีเนี่ยเหมือนกับว่ารูนอบลอของฝรั่งก็ดีอยู่แต่ทําไงรูนอบลอเนี่ยจะมาอยู่กับสังคมที่มนุษย์นั้นมีการพัฒนาแล้วก็จิตใจของเขาก็ไปกันได้มีจุดร่วมมีความมุ่งหมายมีความตระหนักรู้ในจุดหมายอันเดียวกันมีความเห็นชอบทราบซึ้งยินดีแล้วมีจิตใจเมตตาปรารถนาดีต่อกันใช่ไหมอย่างนี้มันก็เอาหลักรูนอบลอมาใช้ประโยชน์สนองไอ้วัตถุประสงค์ที่ดีได้ แต่ถ้ารูนอฟลอมันเป็นเพียงว่ามาแก้ปัญหาที่คนมันไม่ลงกันอย่างเงี้ยมันไปไม่รอดเวลานี้รูนอฟลอมันได้แค่นี้คุยได้จริงอารูนอฟลอแต่มันมาเป็นรูนอฟลอในแง่ที่ว่าแก้ไขปัญหาคนที่มันแตกแยกเข้ากันไม่ได้ทําไงจะให้มันอยู่กันได้ก็เลยต้องเอารูนมาบังคับมันรูนเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องบังคับสิก็เข้าหลักแรกที่เราพูดบนนั้นว่า ทำงานจะพัฒนาคนได้สามขั้นขั้นที่หนึ่งมันยังไม่พร้อมอย่าเรียกมันเรียกว่าเขาเนี่ยเขายังไม่พร้อมก็เป็นเครื่องบังคับไปตอนนี้ก็เหมือนกับสังคมจํานวนมากเนี่ยจิตใจจิตใจมันไม่รวมไม่หล่อไม่เข้ากันเลยใช่ไหมก็คิดแย่งชิงกันเช่นทางเศรษฐกิจในทางราบก็แตกกันมุ่งหวังแย่งชิงผลประโยชน์ไอ้ลาบนั่นคือตัญหาใช่ไหม ต้องการผลประโยชน์มันก็แตกกันมันจะเอานี่มันไม่ได้กลมกลืนกันนี่ในทางทิฐิมันก็แตกกันยึดถือในผิวในเผ่าในเชื่อชาติในลัทธิอะไรก็นแหละแต่อย่างน้อยผิวเผ่าชั้นวรณ์นี่ก็ยึดกันหนักเลยใช่ไหมก็ไม่ลงกันมาณความยิ่งใหญ่ก็ยังต้องการพวกอำนาจอะไรแต่เไรมาประสานกับไอ้ตัาหาต้องการลาภผลประโยชน์ทรัพย์ เนี่ยจิตใจมันแบ่งแยกอยู่ก็เอากฎหมายมาจำกับไม่ให้มันมาเบียดเบียนกันละเมิดต่อกันรุนแรงหรือทําให้สังคมอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นกฎหมายในระดับที่ว่านี่แม้เป็นรุนอฟลอก็จริงแต่มันเป็นลักษณะที่ฝืนใจบังคับทําให้คนเนี่ยอยู่โดยที่จิตใจเขาไม่รวมกันมันก็ไปไม่รอดนะั้นรุนอฟลอก็อวดได้ในแง่หนึ่งในระดับหนึ่งเนะี่ยแต่ว่ามันจะยั่งยืนได้หรือ เพราะความสบับฤิ์ผลก็ไม่ได้จริงอย่างที่พูดไปแล้วอย่างคราวที่แล้วในอเมริกาเนี่ยปัญหาหนักมากนะรูนอบลอจริงแต่เขาเก่งในการบังคับใช้รูนอบลอคนก็เคารพกฎหมายกันดีแต่ว่าใจิตใจที่มันไม่ประสานเนี่ยมันก็หาทางเลี่ยงกันอยู่อย่างระหว่างผิวขาวผิวดำเป็นต้นเนี่ยก็แก้ไม่ตกมังหนังสือบางเล่มเขียนออกมาบอกว่าหมดหวงังบอกว่าทางทางที่ออกกฎหมายมา ให้คนนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าความแบ่งแยกรอยแยกช่องว่างระหว่างสองผิวนี้ดูเหมือนจะกว้างขึ้นไปเรื่อยๆก็เอากฎหมายมาบังคับมันให้อยู่ด้วยกันนี่ทําไงจะพัฒนาคนให้รูนอปรอเนี่ยมันเข้าหลักธรรมปธิปไตยใช่ไหมอ้าวรูนอปรอแทนก็ต้องเป็นธรรมปธิปไตยบอกแล้วไงรูนแปลว่าการปกครองการปกครองก็คืออํานาจลองไปดูสิครับคําว่ารูนเนี่ย แปลว่าการปกครองเป็นการบนเม่นก็ได้แต่ว่าความหมายอันคืออัลทอริตี้ทอริตี้ก็แบบเดียวกับอธิปไตยความเป็นใหญ่รูนอัปลอกก็คือเอากฎหมายเป็นใหญ่ไงธรรมะในที่นี้ก็มนุธรรมนิติธรรมนิติธรรมลึกลงไปต้องเอาธรรมะที่เป็นธรรมชาติเลยธรรมะที่เป็นคุณความดีที่เป็นฐานของนิติธรรมนิติธรรมบัญญัติขึ้นมาก็เพราะไปคํานึงถึงความดีที่เป็นธรรมะแท้ๆนั่นแหละ อยากให้ธรรมะความดีแท้ๆความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมที่แท้มันมีก็เลยสร้างนิติธรรมขึ้นมาแต่นิติธรรมจะได้ผลดีก็ต้องคอยปรับให้ตรงไงธรรมะที่ตัวต้องการอยู่เลยอย่างนี้นิติธรรมนี่ก็เป็นหลักประกันในระดับของสังคมมนุษย์ว่าเออในแง่ที่ว่าเรายุติตกลงว่านิติธรรมตอนนี้ได้อย่างนี้นะเอาแล้วเราก็ทําให้ได้นะตามนี้ถ้าว่านิติธรรมนี่มันบกพร่องเราก็มา หาทางแก้กันแต่ว่านิติธรรมที่ตกลงกันแล้วก็ต้องปฏิบัติตามอะไรอย่างเงี้ยนี่สังคมก็ต้องมองให้ถูกขั้นตอนแต่แปลว่ารูนอฟลอ์ก็คือเอานิติธรรมเป็นใหญ่ลึกลงไปก็คือธรรมะที่เป็นพื้นฐานของนิติธรรมอีกทีก็หลกลงว่าธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะเป็นใหญ่ก็คือธรรมะที่ปฏิปไต่เลย น่รูนออฟลอจึงเป็นแกนของประชาธิปไตยทีแต่นี้เราก็ไม่ค่อยจะวิเคราะห์สับกันที่จริงคุณก็รู้อยู่แล้วมันต้องมีธรรมะที่ปไตยไม่งั้นอนประชาธิปไตยมันสาเร็จไม่ได้หรอกกระูนออฟลอเราก็พูดกันนิติรัฐนิติเลศอะไรก็ไม่รู้ก็ะธรรมะที่ปไตยแหละสับตรงเป๋งรูนอํานาจความเป็นใหญ่อะไรเป็นใหญ่กระูนกฎหมายเป็นใหญ่กฎหมายนี่คืออะไรนิติธรรม ก็าธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะเป็นใหญ่ก็ธรรมะที่ปไต่ก็จบคือถ้าจัดอะไรแต่ไรมันลงตัวเนี่ยความคิดมันจะเดินได้ดีกว่าแบบนี้ตอนนี้มันแตกกระจายกระจายหมดคํำคมมันก็เชื่อมกันไม่ติดโยงความคิดกันไม่ได้อนิติรัฐก็ไม่รู้อะไรนะว่ากันไปแล้วสับมันก็ไม่กลมกลืนอนิติรัฐเอารัฐมาแปลเป็นรูเนี่มันก็ไม่ตรงเนี่ย รัฐลักษณะมันเป็นตัวองคอ์กรเป็นองคอ์กรนั่นเองทีนี้รูเนี่ยมันไม่ใช่องคอ์กรนี่มันเป็นเรื่องนามธรรมจะเรียกนิติธรรมก็ไปซ้ำกับศัพท์อื่นดิตัวหลอมันก็เป็นนิติธรรมอยู่แล้วกฐามาธิปไตยนั่นแหละตรงเป็นแต่ว่าธรรมมาธิปไตยระดับไหนก็ระดับนิติธรรมก็ว่ามาบอกว่าธรรมมาธิปไตยในกรณีนี้เป็นระดับนิติธรรมแต่คุณจะลึกลงไปลึกลงไป ธรรมะที่ปไจยที่แท้ต้องลงไปถึงธรรมะแท้ที่เป็นฐานของนิติธรรมอีกทีงใช่ไหมเพราะนิติธรรมมันต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะที่แท้เพราะนิติธรรมมันต้องปรับต้องแก้ว่าเราต้องการให้ธรรมะคือความจริงความเป็นธรรมอะไรเราต้องการอันนั้นต่างหากเราจึงวางนิติธรรมแล้วนิติธรรมก็ขุนนี้ถ้ามันผิดจะไอ้ธรรมะที่แท้ก็ต้องปรับต้องแก่แล้วเราที่เป็นปัญหากันปัจจุบันก็เพราะว่านิติธรรมที่เราไม่เชื่อ เช่นนิติธรรมอันหนึ่งก็คือรัฐธรรมนูญนี้รัฐธรรมนูญก็เป็นส่วนหนึ่งของนิติธรรมนี้เวลานี้ก็กําลังเถียงกันอยู่นิติธรรมส่วนเนี้ยที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญเนี้ยไม่ถูกต้องขอแก้พวกนั่นก็หมายแก้พวกนี้ก็จะแก้แล้วก็พวกที่ไม่แก้ก็จะแก้กับชนิดที่เปลี่ยนรัฐธรรมนูญไปเลยอะไรทานอง น, นี้นีวางกันใหม่อะไรทํานองนี้แล้วก็ติดกันอยู่นิติธรรมนี่แหละว่านิติธรรมตอนนี้ไม่ได้เรื่อง อย่กระทั่งไม่ยอมปฏิบัติตามรูนอฟหลอก็เกิดไม่ได้ขนาดนิติธรรมที่มีอยู่แล้วก็ยังไม่นับถือไม่ยกให้เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นธรรมอาทิปตปไตยก็ไม่ยอมขึ้นเพราะนั้นทํา ด, าดูเมืองไทยเวลานี้ธรรมอาทิปตปไตยไม่ได้สักระดับระดับนิติธรรมก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็อยู่กันแว่งขวางเลื่อนลอยอธรรมอาทิปตปไตยระดับลึกไปอ่ะไปไม่ถึงก็นี่แหละครับก็ง่ายๆเนี่ย ประชาธิปไตยก็อยู่ได้ด้วยธรรมะที่ปฏิปไตยถ้าคนไม่มีธรรมะที่ปิปไตยไม่ถือกฎไม่ถือกติกา ไ, ไม่มีหลักนิติธรรมอยู่เป็นอย่างน้อยเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้อ้าวผมก็พูดเรื่อยไปแต่ว่าเอาแล้วนะครับตอบแล้วนะ <c oughs> ท่านยังสงสัยอะไรแม้แต่ในเรื่องที่พูดเวัอ น, นี้ก็นดมน ยาครับแล้วทำยังไงจะให้สังคมไทยเรามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่เราไม่ได้เอาใจใส่นี่เราไปติดอยู่แค่ตันหามาันะทิตีเลยถูกไหมหนึ่งก็แย่งลาบแย่งผลประโยชน์กันติดก็อยู่นี่พอเป็นนักปกครองนักการเมืองเราก็ว่าดเราก็ด่าเขาอ่ะด่าเขานักการเมืองนี่ไมด่ดีเห็นแก่ตัวไม่ได้ต้องการประโยชน์สุขของประชาชนจริงต้องการประโยชน์ส่วนตัว เข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์กันใช่ไหมมาคอรับชั่นมาหาอํานาจกันก็ไปติดหนึ่งหาผลประโยชน์สองหาอํานาจใช่ไหมก็ไปตันหามานะและธรรมะเป็นใหญ่มันก็ไม่มาแล้วแลก้กัทิฏฐิอีกพอเก่งขึ้นไปหน่อยเหนือตันหามานะ่าก็ไปติดทิฏฐิอีกทิฏฐิของตัวเองก็รับฟังคนอื่นไม่ได้จะต้องเอาอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นเลยนะ มก็ติอยู่นี่แหละครับไอ้ตัวบริสัทธิ์ของระบบประชาธิปไตยการปกครองที่ดีก็ตั้หามาณนะทิฐิสามตัวเนี่ก็ต้องเอาให้ได้ก่อนหนึ่งประชาชนทุกคนเลยครับขอแทรกนิดนะประชาชนแต่ก่อนนี่เรียกว่าพลเมืองสมัยก่อนโน้นไม่มีศัพท์ว่าประชากรเดี๋ยว น, นี้เขาเรียกประชากรเช่ น, นประเทศไทยแต่ก่อนนี่เขาต้องเรียกว่ามีพลเมืองเท่าไหร่ ตอนนั้นศัพท์ประชากรยังไม่เกิดประชากรนี่เกิดไม่นานเท่าไรล้วครับต่อมาก็มีศัพ์ว่าประชากรก็เลิกใช้พลเมืองเพราะพลเมืองนี่ความหมายมันกํากูมว่าอาจจะเป็นคนในเมืองคนที่อยู่ในเมืองชาวบ้านอาจจะไม่เป็นพลเมือง <c oughs> เป็นพลละบ้านแล้วก็ไม่มีศัพท์ซะอีกพลระบ้านมิถัพพลเมืองแต่ก่อนก็ใช้ว่ามีพลเมืองเท่าไหร่นะีทีนี้ก็มีประชากรก็ใช้ประชากรเท่านั้นเท่านี้เอาละทีนี้ เอาเวทเจล็ดมาแทะกําลังพูดอะไรเนี่ยพี่จะทําให้ประชากรพลเมืองเรามีนิติธรรมมีธรรมะปไตยอ่ะอ๋อครับก็ประชาชนทุกคนเนี่ยนะก็ต้องรู้ความมุ่งหมายการปกครองกความมุ่งหมายการปกครองทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อประโยชน์สุขของคนที่อยู่ในรัฐนั้นประโยชน์สุขของส่วนรวมนั่นเองข่าวพูดประชมัยนี้ก็คือเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใช่ไหม แล้วประชาชนจะอยู่ได้ดีๆก็ต้องอาศัยบทพื้นฐานของธรรมะนี่แหละมองไปในแง่นี้ก็เอาประโยชน์สุขของประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนทุกคนก็ต้องมุ่งให้รู้ว่าเรามีรัฐมีการปกครองเนี่ยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของบ้านเมืองประเทศชาติทั้งหมดเนี่ยตั้งอันนี้เป็นจุดหมายไว้ก็เป็นประโยชน์สุขร่วมกันทีนี้ เมื่อประชาชนทุกคนมีความตระหนักรู้อันนี้เออเรามีการปกครองแบบประชาธิปไตยเราก็ตั้งตัวแทนแบบตัวแทนใช่ไหมตั้งตัวแทนเราก็ต้องเอาคนที่เขาจะไปทํางานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนก็ไปเลือกคนที่อย่างนี้มีใจบริสุทธิ์ว่าจะไปทํางานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนต้องคิดอย่างนี้อ่าแล้ว ก็ไปพิจารณาต่อว่าเออหนึ่งเจตนาเขามุ่งประโยชน์สุขของประชาชนนี่เป็นจุดหมายเจตนาเขาต้องดีเดี๋ยวต้องตรงเลยใช่ไหมเจตนาต้องมุ่งจุดหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นใหญ่แล้วทีนี้เขามีคุณสมบัติมีความสามารถมีสติปัญญาไหมก็มาดูว่าเขามีความสามารถมีสติปัญญาเป็นต้นไหมเอาแล้วทีนี้ได้สติปัญญาความสามารถแล้วจุดหมายเจตนาต้อเที่ยงตรงบริสุทธิ์เพื่ออันนี้ เราก็เลือกคนนั้นฝ่ายผู้ปกครองเองนักการเมืองที่ไปเสนอตัวรับเลือกตั้งก็เช่นเดียวกันถ้ามองในฝ่ยายของตัวเองก็คือต้องตระหนักรู้ว่าจุดหมายการปกครองนี้เอากรเหมือนกับทีองค์พระหมหากษัตริย์ไทยเวลาขึ้นครองราชพิธีบรมราชาภิเษกตรัสเราจะปกครองแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ตรงเป๊ะเลย <g ül üyor> ก็อันเดียวกันนักการเมืองทุกคนก็จะต้องตระหนักในจุดหมายนี้ ก็ต้องมีเจตนานี้เลยเราจะเข้าไปเป็นส่วนร่วมมีอำนาจมีหน้าที่ในเรื่องการบริหารปกครองประเทศเนี่ยเพื่ออันนี้แล้วเรามีความสามารถนี้ไหม mm hmm. ต้องถามตัวเองแล้วจึงเสนอตัวเข้าไปมั่นใจแล้วก็มุ่งเลยเพอเข้าไปได้ทีนี้แรงงานพลังความคิดทุ่มเทให้แก จ, จุดหมายนี้ความสามารถมีก็เอามาใช้ เอาความสามารถเนี่ยมารัดดมใช้เรี่ยวแรงเพื่อมุ่งสู่จุดหมายคือประโยชน์สุขแห่งหมหาชนชาวสยามเท่านี้แหละครับไปได้ไหมฮะเขารับชันรับเชิญไม่มีถูกไหมฮะไม่ได้แย่งอำนาจผลประโยชน์ไม่ได้มีเรื่องมารนณะ์ตำการอำนาจความยิ่งใหญ่นี่ปัญหามันอยู่ที่เราว่ากันปัจจุบันก็คือตั้งแต่ก่อนเขาจะรับเลือกตั้งเขาก็ไม่ได้คิดอันนี้ใช่ไหม คนก็ระแวงกันละอิตานี่เข้าไปเพื่ออะไร <c oughs> เข้าไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามหรือเข้าไปเพื่ออะไร <c oughs> เราก็มาระแวงท่านที่เข้าไปว่าเออคนนี้ต้องการผลประโยชน์ของเขาเองต้องการเอาไอ ก, การเมืองนี้เป็นช่องทางที่จะไปดำเนินกิจการผลประโยชน์ของตัวเอง <c oughs> ต้องการอำนาจความยิ่งใหญ่มาเป็นช่องทางเพื่อผลประโยชน์อีกทีหนึ่งอีกอะไรงนี้เป็นต้น นี่แค่ระดับตระหนามาันั่งก็ไปไม่รอดแล้วพอพ้นระดับตระหนามานันไปติดระดับทิฏฐิพวกระดับทิฏฐินี้ขั้นสูงพวกนี้จะมีจริยธรรมดีอย่างที่เคยบอกแต่ไปติดในความคิดของตัวเองต้องอย่างนี้ทานั้นพวกนี้อาจจะไม่คอร์รัปชันไม่มีอะไรแล้ะน่าชื่อถือแต่ไปติดทิฏฐิของตัวเองพวกนี้ก็ร้ายพอได้เป็นใหญ่แล้วทีนี้รอไม่ได้แล้วจัดการเปลี่ยนพริกประเทศไปตามอุดมการ์นี้ก็ข่า พวกไหนไม่เห็นด้วยก็รัฐทีนี้ก็ทําลายฆ่าล้างผลาญหมดอีกมันยุ่งอย่างนี้แหละครับเนี่ยเอาท่านต้องคิดแค่ให้ได้อย่างเนี้เพื่อประโยชน์สุขแห่งมวลชนชาวสยามเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนทําใจอย่างนี้เจตนาตั้งไปใช่ไหมแค่นี้แหละครับมันไป็เรื่องง่ายๆนะ่ะไม่ใช่เรื่องยากเย็นนั่นแหละถามว่าคุณมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่ออันนี้ไหมแล้วก็มาดูความสามารถอีกที แล้วประชาชนเองจะเลือกเนี่ยคิดในแง่นี้ไหมไม่บางทีก็อา้าเขาเอาผลประโยชน์มาให้ซื้อเสียงไปได้เสร็ละก็จบสิครับฐานมันตั้งแต่ต้นมันก็ไปไม่ได้แล้วมันติดไปหมดแล้วเรื่องง่ายๆก็ทำให้ยากหมายความว่าคนไทยนี่มาทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากใช่ไหมอา้าวตามธรรมะนง่ายนิดเดียวเนี่ยปกครองให้ดีก็เหมือนยุคบุพการปฐมภัณับอะ ก็เออรู้กันแล้วนี่พวกเราอยู่กันนี่มันยุ่งมันทะเลาะกันแย่งจริงผลประโยชน์จะไปเอาอะไรพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มันอยู่ตามธรรมชาติแบ่งเขตกันแล้วก็ยังดูเหนือดูใต้ไม่มีใครก็ไปแย่งเอาอีกเขตมามันก็ทะเลาะกนันก็ต้องหาหุ่นหน้ามาตัดสินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรื่องธรรมดาอท่านจะถามอะไรครับครับก็ข้อที่ฟังพระเทพครูอาจารย์<อ>พูดมาก็ เห็นแล้วครับว่าคนที่จะเป็นผู้คอมควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรแต่ว่าคนที่มีคุณสมบัติแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาเล่นการเมืองครับก็เลยอยากจะรู้ว่าจะมีช่องทางให้คนดีๆอย่างนี้มาเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนยังไงบ้างครับก็นี่แหละเพราะว่าเราเนี่ยมันทําหมักหมมปัญหากัน ม, นมาทําให้อะของง่ายๆเนี่ยมันซับซ้อนไปหมดแล้วจนกระทั่งระบบเสียหมดแล้ว นี่ก็ทําให้เกิดปัญหามากีดขวางทางดําเนินที่จะไปสู่ความถูกต้องชอบธรรมเนี่ยถูกขัดขวางหมดไอตัวสิ่งกีดขวางเยอะเลยทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นสภาพที่บางทีน่ารังเกียจแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจไม่ปลอดภัยเอาง่ายๆการทํางานเพื่อสูจนมกลายเป็นไม่ปลอดภัยไปแล้วจริงไหม เออคนที่ไปเจตนาดีจะเข้าไปก็ไม่ปลอดภยัยไม่รู้จะโดนท่าไหนถ้ามุ่งไปว่าทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมันปลอดภยัยมุ่งหน้าทําไปสิคนดีก็ระดมแรงงานความคิดของตัวเองไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ไหมมุ่งมันทําเต็มที่เลยไอ้ น, นี่มันทําไม่ได้จะไปทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมถูกทําลายก็มีถูกกีดขวางก็มีถูกกลั่นแกล้งก็มี คล้ายสังคมเนี่ยสะสมหมักหมมไปปัญหาหรือตัวเหตุของปัญหาในไว้ซับซ้อนมากแล้วก็ต้องแก้กันมากทีนี้จะแก้ยังไงล่ะแก้ดีที่สุดต้องแก้ประชาชนพลเมืองนี่แหละถ้าตราบใดที่ยังแก้ไม่ได้มันแก้ไม่จบมาแก้กันอยู่เป็นย่อมๆอย่างนี้มันจะแก้ได้ยังไงครับมันก็แก้ได้ชั่วคราวแก้ได้แค่นิดๆหน่อยๆแล้วไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันก็เป็นปัญหาอีกอย่างที่เราพูดกันวันนั้น่ะ อ้าวจะจัดคนจนํานวนหนึ่งที่มีคุณภาพและใครเป็นคนเลือกคนพวกนั้นขึ้นมาอ่าแล้วคนพวกเนี้ที่ได้รับเลือกขึ้นมาเนี่ยแล้วมีหลักประกันอะไรที่เขาจะไม่ตกอยู่ใต้อํานาจตระห น, า, นหามนนะต้องการผลประโยชน์ความยิ่งใหญ่อํนนานาะถ้าเรามองระบบพุทธศาสนาเราก็แยกเป็นสองระดับหนึ่งได้ระดับคนที่พัฒนาอย่างดีแล้วอันนี้ไว้ใจได้เลยอย่างเป็นพระอรหันต์ สองเราไม่สามารถหวังว่าจะได้อย่างนั้นก็ต้องคนที่พร้อมที่จะมีชีวิตแบบพระอรหันต์ก็คือมีวินัยสาหรับคนพวกนี้เพรฉะนั้นถ้าเราจะเลือกคนกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเลือกเข้ามาแล้วก็มอบความไว้วางใจต้องวางกติกาให้อีกวางเลยคุณจะเป็นอยู่ได้ยังไงบางเหมือนอย่างเดียวนิ้ที่เขาวางก็คล้ายๆว่ามีเขา ใช่เขาค่อยๆนึกได้ว่าเออจะเข้าไปเป็นผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีการแจ้งทรัพย์สินก่อนเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นวิธีการหนึ่งแต่ไม่พอหรอกมันต้องชัดว่าวางระบบขึ้นมาเลยวิถีชีวิตความเป็นอยู่วินยัยเรียกง่ายๆวินัยของคนกลุ่มนี้ต้องมีเลยคุณจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้คนในอุดมคติเรามองไม่เห็นในใจเขาเราก็วางระบบชีวิตให้เขาเลย เป็นรูปธรรมเป็นวินัยให้เขาต้องอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างมนุษย์ในอุดมคติได้คุณอยู่ได้ไหมถ้าคุณอยู่ได้ก็ยอมถ้าคุณอยู่ไม่ได้ใจคุณฉันไม่รู้แต่ว่าคุณบอกว่าอย่างนั้นฉันก็ไม่เอาใช่มต้องสองชัน้นก็เหมือนพระเนี่ยเป็นพระหลานก็ดีไปยังไม่เป็นเอา้าก็จัดวินัยให้อยู่อย่างพระหลานสิ <Okay. S 1> อย่างนี้ก็พอรับได้แต่ว่ายังไงก็ตามในที่สุดก็อย่างที่ว่า เหมือนอย่างที่วัศการพรามาพบกับพระอานนท์บอกว่าท่านไม่มีหัวหน้าอยู่ได้ยังไงบอกมีพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งกันจริงแต่พระองค์วางหลักการไว้ให้แล้วว่าผู้ที่ประกอบได้เทรธรรมสิทธิประการพระสงฆ์ก็เอาหลักการนี้มาใช้พิจนารณาดูพระภิกษุรูปไหนมีคุณสมบัติอย่างนี้ก็เหมือนกับเราเลือกผู้แทนใช่ไหมเราก็ดูสิเอาหนึ่งเจตนาเขาบริสุทธิ์ แล้วยังมีคุณสมบัติอีกนี่แหละครับเราก็มาตั้งเอาสิผู้ที่จะคขนไปเป็นผู้แทนราษดร น, นั้นนะหนึ่งมีเจตนาแน่นอนเข้าใจตระหนักในจุดมุ่งหมายว่าจะปกครองหรือทำกิจการหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแน่นอนแล้วก็มีคุณสมบัติเพื่อเป็นประกันว่าเขาสามารถทำได้ตามนี้ก็ตั้งคุณสมบัติขึ้นมา ประชาชนที่จะเลือกเขาก็เป็นผู้มีความรู้มันยังพระสงฆ์ที่จะเลือกเนี่ยที่จริงพระสงฆ์เองนั่นแหละไปเลือกคนนี้ขึ้นมาไม่ใช่เขาเสนอตัวได้ซ้ําเขาพระสงฆ์นี่ท่านไม่ได้เสนอตัวได้ซ้ําพระสงฆ์ท่านอยู่ร่วมกันท่านรู้ใครเป็นใครท่านก็ตกลงว่าท่านผู้นี้เห็นกันอยู่ว่ามีคุณสมบัติมีความดีงามอย่างนี้ก็ยกย่องขึ้นเป็นผู้นําก็ได้ความก็ได้ผลหน้านี่ประชาชนทั้งประเทศเราก็ไม่สามารถหวังให้รู้กันทั้งหมด แต่เราก็ต้องมีระบบวิธีการแล้วเราก็มีการเลือกตั้งมีอะไรขึ้นมาแต่ว่าประชาชนต้องตระหนักรู้ใช่ไหมประชาชนก็รู้ว่าเออที่เรากำลังจะทำอะไรเนี่ยเรากาลังเลือกคนที่ไปทาประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนเนี่ยก็รู้ตระหนักอันนี้แล้วเราก็ไปคากันไปเลือกคนที่มีคุณสมบัติจะทำอันนี้ได้แค่นี้ละครับแค่นี้เขาก็ทำไปได้จริงไหมประชาชนเดี๋ยวนี้ที่ไปเลือกผู้แทนนะตระหนักอันนี้ไหมครับ ถ้าได้รู้เลยแค่นี้ก็ยังไม่ได้เรื่องง่ายๆเพราะนั้นมันก็เลยตกที่เรื่องง่ายๆที่สุดนี่แหลเะเที่ประชาธิปไตยก็ไปไม่รอดเพราะมันตกที่เรื่องง่ายๆเลยไปยุ่งกับไอ้เรื่องยากๆ